วันนี้นะเป็นวันสาคัญนะสำหรับสิทธาอนุสิตของหลวงพ่อคำเขียนเพราะว่าเป็นวันที่เราพร้อมใจกันมาบูชาคุณหลวงพ่อและเป็นการบูชาพิชัยด้วยอามิรไม่ได้บูชาด้วยการสร้างอนุสาวรีหรือว่าการสร้างพระาธาตุหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาแล้วเราก็ตั้งใจจะปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนถึงหช้า ม, มืดวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อมรณภาพครบ9ปีเป็นวันที่พวกเราจะได้ระดมความเพียร เพื่อที่จะปฏิบัติให้จริงจังเป็นการบูชาคุณหลวงพ่อเราปฏิบัติเพื่ออะไรนะบางคนก็เข้าใจาปฏิบัติเพื่อจะเอาบุญและถ้าได้บุญมากๆสะสมบุญเยอะๆก็จะทำให้มีโชคมีลาบเกิดสลิปมงคล แต่นั่นนะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านได้แนะนำสั่งสอนเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้สามารถพาจิตพาใจออกจากความทุกข์ได้โดยตัวเราเองหลวงพ่อ ท่านก็ได้ย้ำนักย้ำหนาว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้และเปลี่ยนด้วยการภาวนาหลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าภาวนาคือการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ซึ่งก็มีไวยากรณ์การออกจากทุกข์ หรือการเข้าถึงความไม่ทุกเนี่ยมันอยู่ในวิสัยของเราทุกคนที่จะทำได้ท่านจึงพูดว่าเนี่ยเราทุกคนนะมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายมากนะทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์และความไม่ทุกเนี่ยนะมัน เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพราะการดนบันดาลของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การอำนวยของบุญซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็คิดเอาว่าเออถ้าทำบุญเยอะๆสะสมบุญมากๆเดี๋ยวก็จะไม่ทุกข์เองอันที่เรียกว่าไปพึ่งบุญมากกว่าที่จะพึ่ง ความเพียรคนเราต้องเชื่อนะว่ า, าการไม่ทุกข์เนี่ยหรือความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ในวิสัยของเรามันขึ้นอยู่การกระทําของเราการกระทํานี้เราเรียกว่ากรรมแต่เวลาพูดถึงกรรมนี่หลายคนก็ไปนึกถึงเรื่องของกรรมเก่าอดิตชาติ เราก็เลยคิดต่อไปว่าเนี่ยที่เราทุกหรือเจอทุกเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำสอนของอย่าว่าแต่ของหลวงพ่อเลยนะไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ซ้ำนะาพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันมีลทัทธินอกพุทธศาสนาอยู่สามลทัทธิใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือลทัทธิกรรมเก่า คือลัทธิหรือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ประสบในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเพราะกรรมที่ทำในอดีตอดีนี่คืออดีตชาติชาวพุทธจำนวนมากหรือพวกที่อ้างตัวเป็นชาวพุทธจำนวนมากก็มีความเชื่อแบบนี้แหละนะเวลาเจออะไรเจอความเจ็บความป่วย ธุรกิจไม่เจริญงานการล้มเหลวหรือว่าสูญเสียคนรักของรักก็ไปโทษเป็นว่าเป็นพ่อกรรมเก่ากรรมเก่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงกรรมในอดีตชาติตัวถ้าเป็นกรรมเก่าในปัจจุบันชาตินี่อีกเรื่องหนึ่งนะเช่นประสบัปปติเหตุเพราะกินเหล้านะเมาสูดราเนี่ยอุบัปปติเหตุนี่ก็เป็นพ่อกรรมเก่านะ แต่ไม่ใช่กรรมในอดีตชาติเป็นกรรมในกรรมเก่าในปัจจุบันชาติหรือเป็นมะเร็งเพราะสูบบุหรีเยอะหรือเป็นมะเร็งเพรา ะ, ะกินเหล้ามากเนี่ยอันนี้ก็กรรมเก่านะแต่เป็นกรรมเก่าในปัจจุบันชาติซึ่งมันคนละเรื่องกับกรรมเก่าในอดีตชาติซึ่งถ้าไปเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทุกที่เจออยู่ ในวันนี้มันแก้ไขไม่ได้เพราะมันเป็นผลสืบเนื่องจากอดิตชาติซึ่งเกินวิสัยที่จะไปทำอะไรได้อันนี้คือลัทธินอกพุทธศาสนานะที่ชาวพุทธจำนวนมากเชื่อฝังหัวเลยซึ่งถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็ทาให้อการออกจากทุกเนี่ยด้วยการกระทําของตัวเองในปัจจุบันนเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย ความเชื่ออย่างห น, นึ่งนก็คือลัทธิที่เรียกว่าลัทธิเทพูเป็นใหญ่หรือลัทธิพระเป็นเจ้าคือความเชื่อว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีที่เจออยู่ประสบอยู่นี่เป็นเพราะการดนบรันรดาลของเทพูเป็นใหญ่ของเทวดาทั้งหลายซึ่งตอนนี้พู้ที่เอ า, าเป็นชาวพุทธจำนวนมากก็เชื่อความคิดแบบนี้มาก ถึงกับมีการบนบานสายกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการบูชาเทพนานาชนิดทั้งที่มีในอดีตหรือว่าที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบันอันนี้ก็มีเกลื่อนเมืองเกลื่อนเมืองนะแล้วก็มีมาเรื่อยๆอันนี้มันก็ทำให้คนเนี่ย ไม่มีความกระตือรุ้นในการที่จะแก้ทุกข์ด้วยตนเองเออะอะไรก็โทษหรืออ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องพึ่งพาอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบนี้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่เกิดความคนขวายในการแก้ทุกข์ด้วยตนเอง การภาวนาที่จะเปลี่ยนทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ก็เป็นอันว่าไม่สนใจที่จะทำส่วนหนึ่งเพราะมันยากนะสู้บนบานสายกล่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าไปเส้นไหว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไดนะ้มันง่ายดีแล้วที่ความเชื่อประการหนึ่งที่ถือว่านอกพุทธศาสนาเนี่ยคือละทิว่าสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทุกข์ที่ประสบอยู่นี่มันไม่มีสาเหตนะุเกิดขึ้นเองเ่อเป็นความบังเอิญก็ได้อันนี้ก็มีคนเชื่อแบบนี้เยอะแต่ว่าคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งหลวงพ่อท่านนำมา ถ่ายทอดเนี่ยนำมาสอนพวกเราเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือให้เชื่อในเรื่องการกระทาของเราและที่กระทำเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ทานรักษาศีลนะแต่รวมถึงการภาวนาด้วยบางทีก็เรียกว่าการปฏิบัติหลวงพ่ อ, อเขียนนั่งเคยเพื่อวันเนี่ยชีวิตของท่านที่เหลือเนี่ยครึ่งหนึ่ง อุทิศใหกับการอนุรักษ์ป่าปลูกป่ า, ปปาอีกเรื่องหนึ่งก็คือสอนกรรมฐานเพราะว่าท่านเชื่อว่าเนี่ยถ้าคนเรารู้จักกรรมฐานรู้จักการภาวนาเาก็จะมีชีวิตที่ผาสุขสงบเย็นหรือสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ความทุกข์เนี่ยนะ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆมันรู้แล้วแต่มีสาเหตุอันนี้เรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยอันนี้คือพื้นฐานของชาวพุทธนะที่เราต้องมีความเชื่อนะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเฮ้ทุกกายเนี่ยนะสาเหตุก็เราก็รู้กันนะสาเหตุก็ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บนะความอดอยากหิวโหยความร้อนความหนาวหรือว่าสิงสาราสัตว์ที่มีพิษสัตว์ราวุธนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมไปถึงเทคโนโลยีนะเช่นรถยนตนะ์ไฟฟ้าเนะี่ยเพราะว่าคนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์หรือเพราะไฟฟ้าช็อตมันก็มีไม่น้อยอันนี้เราทุกข์กาย เวลาพูดถึงทุกข์ใจหลายคนก็นึกไปถึงความเจ็บความป่วยความแก่ความชราความพัดพลาดสูญเสียรวมทั้งความตายและก่อนที่จะตายถ้าเจอความคําต่อว่าดาทอความล้มเหลวงานการไม่เป็นไปอย่างที่คิดเราก็ถือว่านี่คือเหตุแห่งความทุกข์ใจ แต่จริงมันไม่ใช่นะไอ้ที่เขาใจว่าทั้งหมดที่พูดมาคือเหตุแห่งความทุกข์ทางใจนี่ไม่ใช่หรอกความเจ็บความป่วยก็ดีนะความสูญเสียพัดพรางก็ดีมันไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์ใจนะเพราะว่าคนที่เขาหลายคนที่เขาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ที่ใจไม่ทุกข์ก็มีนะคนที่พิ ก, การอย่างอาจาระใจกำพล กนะายท่านนะไม่ได้ทุกเลยนะไอคนที่ไม่พิ ก, การสุขภาพร่างกายดีอวัยวะครบสายทั้งสองที่ทุกยิ่งกว่าท่านก็มีมากมายคนที่พิ ก, การแต่ไม่ทุกใจก็มีอยู่ไม่น้อยคนที่เจ็บป่วย แต่เขาป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยก็มีคนที่สูญเสียนะทรัพย์สินสูญเสียคนรักเพราะลมหายตายจากไปแต่ใจไม่ทุกข์ก็มีเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยคือสาเหตุแห่งความทุกข์ทางใจไม่ใช่สาเหตุแห่งความทุกข์ทางใจเนี่ ย, ย, ค, ยคืออะไรคือความยึดติดความยึดติดถือมั่น ต่อเมื่อยึดติดถือมั่นนะในทรัพย์รถยนต์บ้านเงินทองหุ้นพอสิ่งเหล่านั้นมันแปรปวนไปสูญหายไปลดค่าลงต่างหากนะจึงจะเกิดความทุกข์ใจถ้าไม่ยึดติดถือมั่นในร่างกายนี้ถือแม่เจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ทางกายคืออะไรแต่ว่าไม่ค่อยรู้นะเหตุแห่งทุกข์ทางใจเนี่ยคืออะไรไอ้ที่รู้เนี่ยหรือที่คิดเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดงั้นถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะหรือไม่ปรารถนาที่จะมีความทุกข์ใจเนี่ยต้องรู้จักนะเรียนรู้การปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่ท่านที่พระตัวเจ้าเรือกลมรวมว่าการปล่อยวางในขันท่าแต่ว่าปล่อยวางขันทานี่นะก็ฟังเข้าใจยากนะแต่ถ้าเราพูว้วเนี่ยปล่อยวางในทรัพย์ปล่อยวางในคนรักนปล่อยวางในงานการปล่อยวางหน้าตาภาพลักษณ์เนี่ยอันนี้ต่างหากนที่มันจะทำให้ออกจากทุกข์ได้ าการที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะมีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียกว่าสังขารไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเ้าเรียกว่ามันมีอาการหรือลักษณะที่เรียกว่าไตรลักษณ์ในการที่คนเราเนี่ยจะมีปัญญาเห็น จ่แจ้งในไตลักเนี่ยนะมันก็มันต้องสายการฝึกฝนนะมันไม่ใช่แค่คิดเอาอแค่คิดเอาด้วยเหตุด้วยผลจิตใจคล้อยตามมันยังไม่พอพ่อแม่จะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงนะแล้วรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนี่ ย, ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ รู้ว่าไม่มีตัวกูเพราะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่พอมีคนต่อว่าด่าทอก็โกรธโมโหพอเงินหายก็โกรธเสียใจอาลัยเสียดายนั่นเพราะว่าใจยังไม่ใยเห็นแจ้งในสัจธรรมถึงขั้นที่จะปล่อยวางหรือ ละความยึดติดถือมั่นได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสัตว์ปุถุชนในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าเราฝึกได้นะและการฝึกนะจะเรียกว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นนะก็คือการฝึกปล่อยวางความคิดและอารมณ์ต่างๆการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีแห่งการปฏิบัตินะที่จะทำให้เราเนี่ย เรารู้การปล่อยวางความคิดและอารมณ์ต่างๆเมื่อเรามีสตินะเราก็จะรู้ทันความคิดที่เผลอคิดหรือรู้ทันอารมณ์นะที่มันเกิดจากการปรุงแต่งของความคิดอารมณ์กับความคิดนี่มันก็ไปด้วยกันนะคิดถึงอาหารที่อร่อยนะมันก็เกิดความอยากอยากกิน คิดถึงคนที่เขาต่อว่าเราด่าเราก็เกิดความโกรธเกิดความแค้นคิดถึงคนรักที่ตายจากไปก็เกิดความโศกความเศร้าคิดถึงงานการที่เราอยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจหรือความเครียดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความคิดนะมันก็ช่วยทำให้อารมณ์ที่เป็นเครื่องบีบคั้นเผาลนจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยลงสิ่งที่หลวงพ่อมเขียนท่าน นะสอนนะก็แนะนำให้เราทำสม่สมิคือการเจริญสติมีความสึกตัวเพื่อที่จะได้มารู้ทันความคิดและอารมณ์นะหรือผู้ใหญ่คือก็เพื่อเห็นมันนะเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นการที่เห็นเนี่ยนะมันมีอนุภาพนะเพราะว่า ความคิดอารมณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราทันทีที่ถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติหรือทันทีที่เรามีสติเห็นมันเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้มันก็จะสลายหายไป เพราะอะไรนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความหลงถ้าเราไม่หลงนะหรือไม่มีความหลงของใจเนี่ยไอการที่จะเผลอคิดหลไปอดีตลอยไปอนาคตเสร็จแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นไม่ได้เลยสิ่งที่เราควรทำคือเติมสติ ให้มั่นคงในจิตใจหรือทําความสึกตัวให้เกิดขึ้นอหลวงพ่อพอมเขียนนั่นก็สอนอยู่เสมอนะนะว่าเห็นนะให้ฝึกเห็นเข้าไว้อย่า้าไปเป็นนะเพราะการเห็นเนี่ยนะจะทําให้รู้ทันความคิดละอารมณ์นะทําให้ความคิดละอารมณ์เหล่านี้ไม่สามารถจะคลองใจเราได้มันจะเกิดการปล่อยการวาง การปฏิบัติที่ว่านี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเรียกอย่างนว่าเป็นการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เพราะความหลงนั่นแหละนะเป็นเหตุแห่งทุกข์ความหลงอย่างแรกนี่คือความไม่รู้ตัวหลงเนี่ยมันแปลว่าไม่รู้อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้นี่มันมีไม่รู้อยู่สองอย่างใหญ่ๆนะคือไม่รู้ตัว พอไม่รู้ตัวเนี่ยจึงเผลอคิดและเผลอคิดแล้วเนี่ยก็หลงเข้าไปในอารมณ์และในกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันก็ไปเผอปรุงตัวกู่ขึ้นมานะเป็นผู้คิดเป็นผู้โกรธเป็นผู้โศกเป็นผู้เศร้า เ, เ, เป็นผู้วิตกเป็นผู้กังวล ผูงาคือเป็นผู้ทุกข์นะันั้นการออกจากทุกข์เนี่ยสำหรับปุถุชนนะอย่างพวกเราเนี่ยสิ่งนที่ทำได้คือการนะสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นโดยมีสตินะเป็นตัวสนับสนุนเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันหายไป เกิดความหลงมาแทนที่เนี่ยเพราะว่าใจลอยใจลอยไหลไปนะออกไปนอกตัวไหลไปอดีตลอยไปอาาไปนาคตอย่างขณะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะหลายคนก็ตั้งนา่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าบางช่วงบางขณะหรือหลายขณะก็ไม่รู้ตัวเพราะใจมันลอยนะลอยไปคิดถึงบ้าน ลอยไปคิดถึงลูกลอยไปคิดถึงงานการบางทีก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตบางคิดถึงเรื่องราวที่ะจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเกิดอารมณ์อกุศลตามมานี่เรียกว่าเพราะความหลงแต่ถ้าเกิดมีสตินะ ทำงานได้รวดเร็วรวดเร็วฉับไวเนี่ยมันก็จะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจที่ไหลลอยไปกับความคิดและอารมณ์หรือจมอยู่ในความคิดและอารมณ์เหล่านี้มันก็จะกลับมากลับมาสู่ความรู้สึกตัวเรียกว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เมืมเ่อจิตกํามยู่นกึกกระตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อความรู้สึกตัวจิตใจก็ผ่องใสปลอดโปร่งเรียกว่าเกิดอาการตื่นนะเป็นการตื่นแบบเต็มตื่นนะไม่ใช่ตื่นแบบครึ่งๆกลางๆหรือว่าละเมอคนส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแม้จะตื่นนะแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต็มหรือเต็มตื่น นะรับรู้อะไรก็รับรู้แบบไม่ชัดเจนเบลอๆ บ, บางทีก็เหมือนกับละเมออันนี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องอันนี้เมื่อมีความรู้สึกตัวนะความหลงก็ครอบงาใจไม่ได้เมื่อความหลงครอบงาใจไม่ได้นะไอความคิดและอารมณ์ที่มันกุ้มรุมจิตใจเผารนจิตใจบีบคั้นใจทิ่มแทงใจมันก็ เกิดขึ้นได้ยากเรียกว่าไม่มีที่ตั้งและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะรู้มีสติรู้กายคือว่ากายเคลื่อนไหวก็รูนะ้ใจคิดนึกก็รู้ต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่แค่รู้ว่า มีความคิดที่มันลักคิดมีอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาเห็นการมีอยู่ของความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปก็จะเห็นมากกว่านั้นคือเห็นความจริงของกายและใจนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายไม่จะเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีไม่อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นก็ดีพวกนี้มันไม่เที่ยง ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็ไปเห็นกระทั่งว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะไอ้กายนี่ก็ไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็ไม่ใช่เราความปวดเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ไม่ใช่เราปวดหรือไม่มีความสำคัญงหมายว่าเราปวด มันแค่มีความปวดเกิดขึ้นกับกายมีความคิดเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความคิดแต่ไม่ใช่เราคิดมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโกรธมันจ ะ, ละเลย็นความจริงของกายและใจว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต่อไปมันจะเห็นไกลไปถึงว่าเห็นความจริงไม่ใช่ของกายและใจอย่างเดียวเห็นความจริงของสังขารทั้งปวงว่ามันไม่อาจเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น เอาไว้ได้เลยตรงเล่นนี่แหละที่จะนำไปสู่การปล่อยวางสังขารทั้งปวงนี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางหรือว่ามีความยึดมั่นน้อยลงนะไม่จะเป็นร่างกายไม่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองเพราะมีปัญญาเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถึงเวลาที่ร่างกายเกิดเจ็บป่วย ทรัพย์สินเงินทองเกิดสูญหายนะข้าวของเคลื่อนใช้เกิดแปรปวนคนรักเกิดมีอันเป็นไปไอความทุกข์เช่นความโศกความโกรธความขับแฉนมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมันในสิ่ง น, นั้นกายป่วย มันก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ป่วยเพราะมันไม่มีความสึกว่ากูป่วยกูป่วยมันมีความสึกขับแคนว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นเวลาร่างกายมันแก่นะมันก็เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะไม่รู้สึกว่ากูแก่มันไม่รู้สึกเสียอกเสียใจนะในความแก่ของร่างกายเพราะไม่ได้ยึดบันว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้แหละนะคือ คือหนทางสู่ความพเดทุกซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ทําลายความหลงให้หมดไปทีแรกทําลายความหลงด้วยสติด้วยความรู้ตัวจากความหลงก็กลายเป็นความรู้ตัวต่อไปความรู้ตัวเนี่ยมันก็จะพาไปสู่การทําลายความหลงอย่างที่สองคือไม่รู้ความจริง ไม่รู้ความจริงขึ้นไม่รู้สัจธรรมว่าสิ่งทั้งปวงนี้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เมื่อรู้ความจริงนะมันก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความขับแค้นนี่แหละคือนะหนทางของการออกจากทุกข์นะที่หลวงพ่อคําเขียนท่านได้สอนเอาไว้ท่านได้เชื่ห็นนะว่าเนี่ยอะไรแรงก็เป็นทุกข ตอนที่ท่านปฏิบัตินะปีที่สามเนี่ยท่านในเช้าวันหนึ่งนะท่านพบว่าเนี่ยรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวเลยรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกว่าขันห้าเนี่ยที่มันเคยเกาะกันเนี่ยมันแตกกระจายมันคุมกันไม่ได้แล้วคุมกันไม่อยู่แล้วต่อกันไม่ติดมันก็แก้วที่แตก แก่แต่นี้ต่องก็ไม่ติดท่านก็มาเล่าหลวงพ่อเทียนฟังนะตอนเช้าขณะที่ฉันเช้าผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วแล้วก็พูดเนี่ยไอ้ขันตั้งห้าเนี่ยนะมันมันมันต่อไม่ติดแล้วก็เห็นเลยนะว่ารูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์ สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์เวทวิญญาณก็เป็นทุกข์พอเห็นว่าขันธ์ทั้งหเป็นทุกข์นะใจเนี่ยเรียกว่าเป็นอิสระเลยความทุกข์นี้มันหมดไปเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่ต่อมาหลวงพ่อได้สรุปว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ละ เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นตัวทุกข์มันก็จิตก็ไม่มีความยึดมันถือมั น, นก็เรียกว่าออกจากทุกข์ได้เรียกว่าความหลงนะอันได้แก่การไม่รู้ความจริงหรืออวิชชาเนี่ยมันหมดไปแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เริ่มต้นจากการที่สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้ น, เ, นเมื่อมีความรู้สึกตัว ความไม่รู้เนืรู้ตัวหรือความหลงขั้นพื้นฐานมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้การปฏิบัติเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยที่ท่านแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราใจสบายเกิดความสงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะช่วยทำให้เราออกจากทุกข์ได้ที่แรกออกจากทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าปล่อยวาง อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปนะมันก็จะเป็นการปล่อยวางไม่ใช่เฉพาะอารมณ์และความคิด ท, ที่เกิดขึ้นแต่ปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงนะที่เรียกว่าขันห้าหรือสังขารทั้งหลายซึ่งนั่นแหละจะเป็นทางออกจากทุกข์อย่างแท้จริง